เรื่องรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องความลับของรามจิตติมีชายคนหนึ่งชื่อรามจิตติอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของแคว้นวัชีรามจิตติเป็นคนฉลาดมีหัวด้านการค้าฐานะมั่งคั่งและเป็นชายชาตรีที่น่าหลงไหลคนหนึ่งเคยใครในหมู่บ้านต่างก็ชื่นชม บ้านไหนที่มีลูกสาวอยู่ในวัยแรกรุ่นต่างก็หวังอยากให้ลูกสาวของตนได้แต่งงานอยู่กินกับชายหนุ่มผู้นี้ทั้งนั้นแต่รามจิตติยังไม่อยากแต่งงานเขามีความลับอันน่าประหลาดบางประการที่เก็บซ่อนอยู่ชายหนุ่มเกรงว่าหญิงสาวแรกรุ่นพวกนั้นอาจจะพูดจาล้อเลียนเขาหากนางล่วงรู้ความลับดังกล่าวเข้าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายรางจิตติก็หลีกหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นเขาได้พบกับหญิงสาวหน้าตาธรรมดานางหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงนางไม่ใช่เด็กสาวแรกรุ่นแต่มีอายุใกล้เคียงกับเขาและเป็นคนที่มีจิตใจงามมากแม้คนขี้อิจฉาบางคนจะพยายามพูดเป่าหูว่าผู้หญิงที่เขาเลือกไม่คู่ควรกับเขาเพราะไม่มีความงดงามแม้แต่น้อยแต่รางจิตติ ก็ไม่สนใจคํากล่าวร้ายเหล่านั้นเขาเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาด้วยความดีงามภายในมิใช่ความสวยงามภายนอกและทั้งสองก็แต่งงานกันในที่สุดหลังจากแต่งงานได้ไม่นานรามสิตริก็แยกบ้านออกมาอยู่ตามลําพังกับภรรยาบ้านใหม่หลังนี้อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ดังนั้นรามจิตติซึ่งมีร้านค้าผ้าอยู่ในตลาดจึงต้องเดินทางไปทำงานที่ร้านของเขาทุกวันตั้งแต่เช้ามืดแต่ช้ยหนุม่มไม่มีปัญหาในการเดินทางเขาชอบเดินสูดอากาศยามเช้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่รามจิตติไม่อยากทำอย่างนั้นอีกแล้วฉันไม่อยากไปทำงานอีกแล้ว รามจิตติบอกภรรยาซึ่งสอบถามสาเหตุที่ทำให้สามีของนางไม่ยอมออกจากบ้านถึงสามวันมาแล้วแต่เธอต้องไปดูแลกิจการบ้างร้านเรามีลูกค้าประจำแวะเวียนมาทุกวันหากปิดร้านระยะยาวๆเช่นนี้คู่แข่งมิแย่งลูกค้าประจำร้านของเราไปหมดหรือเธอสั่งผ้าลายใหม่ๆต่างๆแพร่มาต้งมากมายหากด้วยรีบขายตอนนี้ ต่อไปเมื่อลูกค้าลดความนิยมลงแล้วจะขายใครได้เล่าภรรยาของรามจิตติกล่าวเตือนสติสามีซึ่งรามจิตติก็เห็นจริงกันคากล่าวของนางเธอมีปัญหาอะไรหรือจึงไม่อยากไปทำงานบอกให้ฉันรู้สิเผื่อฉันจะช่วยได้ภรรยาของรามจิตติถามด้วยความหวนดี<ม>โอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น ฉันเพียงแต่ขี้เกียจนิดหน่อยแต่จากนี้ไปฉันจะไปทำงานเหมือนเดิมเธออย่า ก, กังวลไปเลยนะชายหนุ่มรีบปฏิเสธเป็นพันลวันหลังจากวันนั้นรามจิติก็ออกไปทำงานเหมือนดังเดิมแต่ภรรยาของเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับสามีได้ทุกวันตั้งแต่หน้าตาที่ดูตื่นกลัวของรามจิติก่อนออกจากบ้านในเวลาเช้ามือ และการวิ่งกระหืดกระหอบกลับบ้านด้วยความหวาดผวานในเวลาเย็นครั้นนางถามถึงเหตุผลของความผิดปกตินี้สามีของนางก็ได้แต่ตอบอย่างอึดอึอักอักว่าไม่มีอะไรและขอให้นางอย่าได้ใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้อีกเลยภรรยาของเขาจึงไม่กล้าเซาสีถามอะไรอีกแต่แล้ว วันหนึ่งเมรามจิตติต้องล้มป่วยลงเพราะการกระทำอันไม่รู้สาเหตุของเขาภรรยาของเขาจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอคาดคันสามีถึงที่มาของเรื่องทั้งหมดและในที่สุดรามจิตติก็ตัดสินใจเล่าความลับของเขาให้ภรรยาฟังที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะความกลัวความกลัวทำให้ฉันหวาดผวา ไม่เจริญอาหารจนผ่ายผอมไร้เรี่ยวแรงและต้องนอนป่วยอยู่แบบนี้เธอกลัวอะไรหรือรามจิตติอะไรที่ทําให้เธอหวาดกลัวได้ถึงขนาดนั้นภรรยาของรามจิตติถามอย่างหัวยายฉันฉันฉันกลัวเสียงไก่ขันรามจิตติตัดสินใจพูดครกลัวว่าภรรยาจะหัวเราะในความกลัวอันไม่เข้าท่าของเขา แต่นางก็ไม่ได้หัวเราะทําให้เขาใจชื้นและกล้าเปิดใจคุยมากขึ้นแถวนี้มีไก่ขันที่ไหนกันไม่เห็นมีไก่เลยนางถามเธอคงไม่รู้สินะว่าระหว่างทางที่ฉันต้องเดินไปทำงานนั้นเพิ่งจะมีคนมาสร้างเล้าไก่ขนาดใหญ่ไว้แล้วเขาก็เลี้ยงไก่มากมายไว้ที่นั่น ทุกเช้าพอฉันเดินผ่านฉันก็มักจะได้ยินมันขันว่าเอ๊ะเอ๊เ e อ e e e e e อย่างนี้ทุกครั้งเสียงไก่พวกนี้ทำให้ฉันแทบเสียสติและตัวของฉันก็สั่นด้วยความกลัวนึกถึงเสียงไก่ขันแล้วรามจิตติรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาอีกเขาสงบสติอารมณ์ตนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าต่อไปว่าฉันรู้ฉันรู้วนเนี่คือเรื่องที่โง่งเงาสิ้นดี แต่เวลาได้ยินเสียงไก่ขันฉันมักจะนึกว่าตัวเองเป็นไส้เดือนทุกทีแล้วท่าไก่พวกนั้นเห็นฉันเข้าพวกมันคงต้องรุมกันเข้ามาจิกฉันออกเป็นชิ้นๆแ น, น่ๆฉันกลัวมากจึงรีบวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นี่คือความลับที่น่าอายของฉันเธออาจจะหัวเราะ ก, ก็ได้ฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกภรรยาของรามจิตติว่า เราคือคู่ชีวิตกันเราต้องหาทางช่วยเหลือกันอันที่จริงเธอก็น่าจะบอกกับฉันตั้งแต่แรกเราสองคนจะได้หาทางแก้ไขไม่ใช่รอจนเธอล้มป่วยแบบนี้รามติติทราบซึ้งในน้ำใจของภรรยามากรู้สึกว่าตนเองคิดไม่ผิดเลยที่เลือกนางมาเป็นคู่ทุกคู่ยาก หลังจากรู้ความจริงภรรยาของรามจิติก็เที่ยวหาหนทางรักษาสามีของนางไปทุกที่จนกระทั่งจับ ก, กับโยคีตนหนึ่งซึ่งบอกแก่นางว่าการสะกดจิตอันเป็นวิชาเฉพาะตัวของเขาน่าจะช่วยสามีของนางได้เมื่อภรรยาของรามจิติได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนางรีบกล่าวเชิญโยคีให้ไปทำการรักษาสามีที่บ้านทันที โยคีใช้เวลารักษารามสติที่บ้านเป็นเวลาสวันสามคืนด้วยการสะกดจิตให้เขาเชื่อว่าตนเองเป็นมนุษย์มีช้ไส่เดือนจึงไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไก่จิกอีกต่อไปเมื่อรามสติเข้าใจตนเองดีแล้วเขาก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและกลับมาเจริญอาหารเหมือนเดิมจนร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะออกไปทางานได้อีกครั้ง ขอให้เธอโชคดีกับการกลับไปทำงานอีกครั้งนะภรรยาของรามจิตติก่าวให้กำลังใจสามีขณะออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านแล้วรามจิตติก็โอบกอดภรรยาของเขาตอบอย่างรักใครเมื่อรามจิตติเดินพ้นไปจากสายตาภรรยาของเขาก็หันหลังกลับเพื่อจะเดินเข้าบ้านแต่ยังไม่ทันที่จะปิดประตูสามีของนางก็วิ่งทลาเข้ามาในบ้านซะก่อน เกิดอะไรขึ้นหรือมีใครทำอะไรเธอหรือเปล่าภรรยาของรามจิติถามด้วยความตรหนกตกใจแต่รามจิติไม่ได้สนใจคำถามของภรรยาเขาเอาแต่ละล่าละลากบอกนางว่าที่รักที่รักไปตามท่านโยคีมาอีกเร็วเข้าเมาื่อครูฉันเดินผ่านเล้าไก่แห่งนั้นมันมันพร้อมใจกันโก่งคอขันฉันก็ยังฝันกลัวเหมือนเดิมอะไรการเธอยังไม่หายหรือ ตอนนั้นเธอก็ดีขึ้นแล้วนี่เธอรู้แล้วว่าเธอคือคนไม่ใช่ไสเดือนเพราะฉะนั้นไก่จะไม่มีวันจิกเธอหรอกภรรยาของรามจิติว่าใช่ใช่ฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนไม่ใช่ไสเดือนแต่ไก่มันจะรู้ไหมล่ะว่าฉันไม่ใช่ไสเดือนเธอทั้งหลายดูเหมือนว่าการค้นหาเหตุผลจะทำให้มนุษย์ เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติที่เคยลี้ลับได้อย่างทะลุ ป, ปรุก ป, ปงมากขึ้นไม่เฉพาะธรรมชาติในโลกแต่ยังล่วงรู้ไปถึงจั ก, กรวาลอันกว้างใหญ่อีกด้วยแต่น่าแปลกที่นานวันเข้าความเข้าใจตนเองของมนุษย์กับลดน้อยถอยลงแม้เธอจะเป็นคนเก่งที่มีความรู้ฉกาดไปเสียทุกเรื่องแม้เธอจะได้รับความชื่นชมจากผู้อื่น ในสิ่งที่เธอรู้อย่างมากมายนั้นแต่ถ้าเธอไม่เคยรู้จักตนเองก็ยากที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะคนที่ไม่รู้จักตนเองมักหวาดกลัวในสิ่งเล็กน้อยและสร้างกำลังใจให้ตนเองไม่เป็นสุดท้ายไม่ว่าเธอจะเก่งหรือฉลาดสักแค่ไหนความหวาดผวาในใจ ก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายไปในทันที